ส่วนสัพพะทะพะหุสุตาก็คือปิดกสามนั่นเองนะาะพันพวกสัพพะทะพะหุสุตาก็คล้ายกับพระอนนทเทระอันนี้เรียกว่าพวกสัพพะทะหมายว่าโดยประการทั้งปวงในปิดกสามเรียกว่าพหุสุตมันถ้ายังยินดียังฝักใ่ยังพอใจศึกษาเล่าเรียนคำสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่เสื่อมส่วนข้อที่ห้าปรัความเพียรนนะอารัฐวิริยา ก็คือเหล่าภิกษุที่ประกอบความเพียรทางกายและทางใจคําว่าเพียรทางกายก็คือละการคลุกคลีจากมูอยู่ผู้เดียวในอิริยาบทสี่ปรารบความเพียรวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพียร8อย่างเรียกว่าอาศัยเหตุผลที่คนขี้เกียจมาอ้างแล้วขี้เกียจผู้ที่ปรารบความเพียรอาศัยวัตถุเหล่านั้นแล้วปรารบความเพียรเช่นบางคนบอกโอ้ช่วงนี้เจริญกรรมฐานไม่ได้หรอกเพิ่งหายจากป่วยใหม่ๆ ครูที่จะปรับความเพียรบอกเนี่ยนะถ้าเราไม่รีบเจริญถ้ามากลับมาป่ปวยใหม่แย่นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันดีแล้วมันหายบ้างแล้วจะรีบเจริญเลยเดี๋ยวป่วยอีกรอบนอหน่งอดแน่นี่ยนะคือเขาจะคิดบางคนก็บอกโอ้เจริญความเพียรไม่ได้หรอกนี่ต้องเดินทางอ่าถ้าพิสูจนอีกรูปหนึ่งที่ปรับความเพียรบอกเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วตอนเดินทางนะั้นมันจเจริญ ย, ยากนั่นต้องรีบเจริญไว้ก่อนเดี๋ยวเดินทางแล้วจะลำบากบางพวกกขาบอกโอ้เพิ่งเดินทางมาหมใหม่ๆพักผ่อนก่อนหายเหนื่อยก่อนคนนี้ก็บอกว่เนียตอนนนเดิทา ง, นะาง้น้อย เพราะฉะนั้นมาถึงถึงที่แล้วเราเขาเจริญให้มันมากเขาเรียกว่าอธิบายได้ว่าต้องเจริญอย่างเดียวลักษณะนี้เรียกว่าพวกปลาลบความเพียรส่วนพวกเกียดคา้านอธิบายได้ว่าเหตุผลก็คือทําไมตัวเองไม่เจริญกลุ่มนี้นะเหมือนเก่งนะอธิบายได้เพราะตอนนี้กําลังเดอตอนนี้จะเดินทางตอนนี้เพิ่งเดินทางมาใหม่ๆตอนนี้ยังติดงานก่อสร้างตอนนี้ยังเพิ่งหายป่วยตอนนี้อ๊้อธิบายได้หมดเลย ให้อธิบายและฉลาดเท่าเดิมเนี่ยนะมันมันมยังว่ามันดีไหมใช่ไหมอธิบายและฉลาดเท่าเดิมกุศลจิตมีเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้แปลว่าขี้เกียดนั่นเองเนี่ยอธิบายได้จนโมหะเหมือนเดิมศรัทธาลดลงกว่าเดิมเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าขี้เกียร์คลา น, นเหมือนันน่ะผู้ที่อยู่ด้วยความเกียรคร้านนี่ถือว่าอยู่เป็นทุกข์ส่วนภิกษุเหล่าใดบรรเทาการคลุกคลีทางจิตอยู่แต่ผู้เดียว อยู่โดยสมาบัติแปดทั้งคือทั้งโดยสมถะและวิปัสสนาไม่ยอมยืนเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในขณะเดินถ้าเดินอยู่แล้วกิเลสเกิดไม่ยอมหยุดเลย เ, เดินต่อไปจนกว่าจะละ ก, กิเลสอันนั้นได้แั้นเลยจนกว่าจะเปลี่ยนความคิดที่เป็นอกุศลนั้นได้จึงจะเลิกไม่ยอมนั่งเมื่อกิเลสเกิดขณะยืนเพราะฉะนั้นจะยืนต่อไปนั่นแหละถ้าละ ก, กิเลสตอนนี้ไม่ได้ด้วยสมถะวิปัสสนาหรือด้วยอะไรก็ตามถ้ายังละไม่ได้ไม่ยอม ไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินไปยืนจากยืนไปนั่งจากนั่งไปนอนเนี่ยนะไม่ยอมข่มกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนี้แหละเรียกว่าความเพียรทางกายและทางจิตกันในอิริยาบถสี่นี่เรียกว่าผู้ปรารบความเพียรแท้เรียกว่าเพียรเพื่อเข้าถึงกุศลธรรมที่ยังไม่เข้าถึงแต่สำหรับคนที่ไม่เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมเนี่ยบอกอู้มากไปมั้ง คนที่ไม่เห็นกําไรไม่เห็นอานิสงส์ไม่เห็นคุณงามความดีไม่เห็นประโยชน์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายแต่สําหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ของคุณธรรมทั้งหลายว่าคุณธรรมที่เราเจริญคุณธรรมที่ภาคเพียรปฏิบัติอยู่นี้โพธิปัจยะธรรมเหล่านี้ ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้นะช่วยให้ปิดอบายทุกขติมินิบาสนรกได้นะช่วยให้พ้นชาติชะรา ม, มรณะได้นะภาคเพียรต่อไปเธอถ้าเธอเจริญจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เขาก็จะหาสรรหากําลังใจเนี่ยนะสรนหัสัทธาที่จะให้เจริญต่อไปเป็นต้นพวกนี้อธิบายจนต้องเจริญวางั้นเถอะถ้าเราบางท่านเนี่ยที่เจริญบอกโอ้เนี่ยถ้า น, นั้นว่าถ้าเราตกนรกเราจะได้เจริญอย่างนี้ไหมไม่ได้เจริญเพราะตอนนี้อริเจริญที่สุดเลย เออนี่ถ้าเราโม่แต่ไปเกิดเป็นเปรตนะเราจะมีโอกาสปฏิบัติแบบนี้อีกต่อไปไหมบอกไม่มีละมพนจะต้องต่อเ น, นี้ยยังไม่ได้เป็นเปรตเรรีบเจริญไห้ก่อนถ้าไปเป็นเบเดระชานไปเป็นหมูหมากาไกา่เป็นต้นเนี่ยทำอะไรได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบเจริญให้ก่อนนะนะสมมติถ้าเรากลับมาเกิดชาติใหม่โอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะเรียนฉลาดเท่าวันนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าฉลาดกว่านั้นถ้าต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาอยู่ในท้องกว่าจะต้องมาเรียนสระอาดสะอาอีกเนี่ยโอ้ยกว่าจะ เป็เรื่องเวลาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมนุษย์มนากับเขานี่มันใช้เวลานานมากหลอล้อมเนี่ยันตอนนี้มันพอรู้ความได้แล้วก็รีบเจริญให้มันเต็มที่เลยนะมันก็อธิบายได้ว่าโอ้เนี่ยถ้าเรามาเกิดใหม่ถึงมาเป็นมนุษย์อ้าวถ้าพุทธศาสนาหมดแล้วเราก็เมื่อไหร่จะได้เจริญอีกต้องรอพระศรีอารมาสอนนั่นแหละเมื่อไหร่ไม่รู้เกิดทรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นพวกปลายฝนต้นหนาวก็เหมือนเราตอนนี้เลยว่างั้นเถอะนะมันก็ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้รีบเจริญเป็นเวลาเป็นสมัยสมควรที่สุดที่จะ เจริญอธิบายได้ว่าต้องเจริญอย่างเดียวว่างั้นพอหมายก็ว่าถ้าพลาดแล้วก็ก็เสือ่อมมันนะแม้อะไรจะใช้คําว่าเสื่อมเนี่ยนะเสื่อมถ้าพูดแบบภาษาอื่นๆก็แปลว่าอะไรเจ๊งก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่ที่แปลว่ามันสูญเสียทุกอย่างไม่มีอะไรจะสูญเสียกว่า น, นี้อีกแล้วมันมันเหมือนอะไรถ้าค้าขายก็ขาดทุนน่ะทําอะไรก็มีแต่ล่มโจมอ่ะมีแต่ล่มโจมอ่ะเหมือนถ้าสุขภาพมันก็มีแต่เสื่อมลงเสื่อมลงอะนะลักษณะเนี้เขาเรียก ว, ว่าเสื่อมฉันใด ในบรรดาความเสื่อมทุกชนิดเนี่ยนะความเสื่อมที่น่ากลัวที่สุดก็คือเสื่อมจากกุศลน่ากลัวที่สุดก็เสื่อมจากเหตุแห่งความสุขแล้วความสุขจะได้มาจากไหนนะถ้าเสื่อมจากเหตุก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความสุขเพราะ ism, การเสื่อมจากกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าถ้ากุศลไม่เกิดอะไรเกิด อกุศลเกิดอกุศลเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองทั้งสองฝ่ายด้วยทําลายประโยชน์โลกนี้ด้วยทําลายประโยชน์โลกหน้าด้วยทำลายประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเนี่ยนะโอ้เสื่อมจากโพธิปักขยธรรมเสื่อมหมดเลยปีดกสามก็เสื่อมคุณพระรัตนตรัยหาที่สุดไม่ได้เสื่อมหมดเลยนะเพราะนั้นอกุศลนี่จึงน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะ แต่ถ้ายังเห็นว่าอกุศลเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่ก็ถือว่าเจริญนะเพราะแปลว่าอะไรมีหิริโอตปะใช่ไหมถ้ายังเห็นว่ามันมีทุกข์มีโทษมีพิษมีภัยอยู่ก็ยังเจริญอยู่และอย่าลืมก็ยังไงก็ปรับทัศนคติอันนี้ว่าอกุศลมีโทษโดยส่วนเดียวนะถ้ายังรักษาอย่างนี้ได้ก็ต่อไปก็กุศลเจริญข้อที่หกเนี่ยนะมีสติตั้งมั่นอุปถัตตสติเนี่ยนะก็คือมีสติระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทําไว้แล้วแม้นานเป็นต้นได้ เราเลิกได้นานแค่ไหนเขาก็ยกตัวอย่างพระเทระสามรูปเนี่ยนะโหเก่งมากนะแต่ละองค์ไม่รู้ปัญญาธรรมาจากอะไ ร, ไ ม, รมันแม่นจําแม่นมากเลยเหมือนพระมหาคติคติมาพระอภัยเถระพระทีทีคกะอภัยเถระแล้วก็พระติปิตกะจุลาพยาเถระได้ยินว่าพระมหาพระมหาคติมาพระอภัยเทระเนี่ยนะ ท่านจําจําเรื่องราวในอดีตได้ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกท่านเห็นนกกากําลังยื่นจะงอยปากไปที่เข้ามาทุ่ยปลายาดในงานมงคลของท่าน่ะที่ท่านเกิดได้ห้าวันเนี่ยนะท่านก็ร้องว่าหู้หู้ได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงการอ้องหู้นั่นแหละท่านจําได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวระหว่างนั้นท่านไม่เคยลืมเลยแม้แต่เรื่องเดียวคือหมายความว่านึกได้เมื่อไหร่ก็คล่องแคล่วเข้าใจได้เลยเนี่ยเรื่อมีสติมาก แต่อันนี้นี่พูดถึงแบบทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านะตั้งกับอยู่ตั้งกับคลอดตั้งกับอยู่ในครันตั้งกับก่อนมาเกิดท่านระลึกได้ยาวว่างั้นเถอะแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาเนี่ยองค์นี้ก็เก่งอะนะอตห้าวันตั้งกับเกิดส่วนอีกรุ่งหนึ่งสําหรับพระทีคณากะอาภัยเถระก็คือผู้ทรงทีแคนิ้กายบอกว่ามารดาของพระทีคณากะหรือทีนกะอาภัยเถระเนี่ยโน้มตัวลงหมายจะจุมพิษเรียกว่าจูบลูกอะนะ หอมแก้มลูกอ่ะในวันที่เก้าหลังจากเกิดอ่ะพอดีมวยผมของนางก็สยายดอกมะลิประมาณหนึ่งทนานก็ตกไปที่อกของทารกดอกมะลิตกไปอกเด็กก็เจ็บอ่ะน ะ, mm hmm. ะเมื่อพิพสูจน์ทั้งหลายถามท่านว่าท่านครับท่านระลึกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าตั้งแต่เก้าวันนับตั้งแต่ผมเกิดมาเกิดมาเก้าวันเนี่ยจำได้เลยนะตั้งแต่วันเจ็บเป็นต้นมาเนี่ยเรื่องราวระหว่างเนี่ยจำได้หมดเลย ของเราก็บอกว่าอะไรนะอภิหฐานยธรรมที่เรียนวันนี้ก็ขอให้จําได้บ้างก็ดีแล้วนะได้บุญเยอะแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องหลายๆอย่างนี่ก็อย่างว่าก็บุญมันต่างกันเนี่ยนะอย่าไปเปรียบแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งไม่ได้นะแข่งสติปัญญาเป็นต้นเอาเป็นว่าดีใจเธอะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังคํำสอนก็ อ, อนุโมทนากับตัวเองบ้างอนะไม่ต้จะกดขี่ข่มเหงไปถึงไหนเแล้วกัน ต่อไปนะอย่างพระติปิดกจุลพยาจุลอภัยเถระเนี่ยนะท่านบอกว่าท่านเล่าว่าความสามารถของท่านนะปิดประตูเมืองสามด้านในกรุงอนุราทปุระเมืองนี้ก็เมืองใหญ่นะก็ปิดแล้วก็ให้คนนี่ออกประตูเดียวแล้วทุกคนเนี่ยมาเรียกชื่อนะผมชื่อติดสะผมชื่อปุลสะเป็นต้นเนี่ยแล้วเดิอนออก ทุกคนเนี่ยเดินแล้วพอกลับเข้ามาใหม่ถึงตอนเย็นเนี่ยนะท่านเห็นหน้าท่านบอกเลยคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คนทั้งเมืองท่านจําชื่อได้หมดเลยนะจะคล้ายพวกที่จําหมายเลขโทรศัพท์ได้เป็นเยอะแยะนะคล้ายแบบนั้นนะแต่แต่องค์นี้เนี่ยท่านดีนะท่านใช้ความจําอันนี้ไปสรงพระไตรปิฎกนยนะนะความสามารถท่านคือผู้สรงพระไตรปิฎกแต่บางคนเนี่ยถามว่าถ้าเรามีความสามารถที่จะจำเนี่ยขอจําอะไรนะ จำพระไตรปิฎกใช่ไหมสาธุเนี่ยนะถ้าตอนเด็กๆ เ, เลยเนี่ยคิดว่าจะจําอะไรอือราไม่รู้่นะเขาเชียร์ว่าอะไรมันดีก็จะจํามันนั้นนะ่ะนะเอาเป็นเอาตายกับสิ่งนั้นนะ่ะนะมันแต่ถ้าตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะจําได้เขาขอจําคําสอนนี่แหละเนี่ยนะอันนี้คู่ที่สามารถระลึกได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเขาเรียก ว, ว่าเป็นผู้มีสติแต่ถ้าเพิ่มอีกรายละเอียดก็คือเอาสิ่งที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาวิจัยโดย รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิจัยโดยขันอายตนาธาตุในเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาในอดีตสติอันนั้นเรียกว่าสติสัมโพชงว่างั้นนะถ้าเราแยกแยะวิจัยได้หมดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยความเป็นขันธาตุอายตนะและปัจจัยแล้วก็มนัิการพิจารณาได้ทุกประการนี่เรียกว่าเป็นผู้มีสติส่วนปัญญาวันโตเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญารู้ความเกิดโดยอาการยี่สิบห้าความดับของอาการยี่สิบห้าของ ขันห้าเนี่ยนะรูปจะเกิดเกิดโดยอาการห้ารูปจะดับก็ดับโดยอาการห้าเป็นต้นอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาวันสัมมาสติกับวิปัสสนาปัญญาอันเป็นเหตุอุดหนุนวิปัสสนาของพิสุผู้เจริญวิปัสสนาอันนี้หมายถึงว่าถ้ายังมีคุณธรรมคืออะไรบ้างทั้งในครั้งหนึ่งศรัทธาหิริโอตต ป, ปะหูสูตรวิริยะสติปัญญาถ้ายังมีคุณธรรมเจ็ดประการนี้อยู่ หวังได้เลยว่าไม่เสื่อมเจริญอย่างเดียวเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมแน่นอนเป็นอภริหานิยธรรมที่จริงนะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ใจของเราเนี่ยทำยังไงเนอะมาหากุศลของเราจรึงจะเพิ่มศรัทธาได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มฮิริโอตปาจริงจริงอ่ะนะถ้าเราเรียนเชิงอภิธรรมมาบอกอา้าก็คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดพร้อมกับกุศลจิตอยู่แล้วบอกใช่เกิดพร้อมก็จริงแต่ว่า ก็สักแต่ ว, ว่าเกิดถ้าถามว่าอะไรนะเคยทานอาหารรสจืดํามว่าในนั้นมีเค็มบ้างนิดหน่อยมีบ้างไหมมีเอาทําไมเขาเรียกอาหารรสจืดอ่ะทาไมต้องเติมอะไรอย่างอื่นฮะมันมันน้อยอ่ะมันไม่พออ่ะฉันใดคุณธรรมที่อยู่ในใจเนี่ยจริงอยู่โสภนะเจตสิกอ่ะมันมีแต่ว่ามันไม่มีเรียวมีแรงแหมอ่ อ, อนแอทั้งนั้นเลยนะมันต้องมาทําให้มีพละมีกําลังทําให้เจริญเติบโตเรียกว่าทําให้มี คุณภาพเรียก ว, ว่าเร่งเร่งคุณภาพให้คุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยมีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ต่อไปถึงอปริหานิยธรรมศัตกกที่สี่ว่าข้อเจ็ดสิบสามดูก่อนพิสูทั้งหลายตถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีตถาคตจะกล่าวพิสูนเหล่านั้นก็ กราบทูลว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพระดํารับ ด, ดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายก็พิสูุทั้งหลายยังจักเจริญสติสัมโพชฌงตลอดการเพียงไรพิกษุนทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ถ้ายัางเจริญสติสัมโพชฌงเนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะหรือว่าเจริญสติสัมโพชฌงเนี่ยนะ สติสัมโพชฌงค์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยถ้ายังเจริญสติสัมโพชฌงค์อยู่อย่างนี้อยู่หวังได้แต่ความเจริญโดยไม่เสื่อมดูความพิสูุ์ทั้งหลายและภิสูุทั้งหลายยังจักเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดการเพียงใดพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ หมายคําว่าเจริญธรรมะวิจยะสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าธรรมะวิจยะสัมโพธชงอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพานดูนะดูก่อนพิสูน์ทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญวิริยะสัมโพชฌงอยู่ตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็คือยังเจริญวิริยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาโน้มไปเพื่อการสละหรือว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ พระนิพพานผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จริงก็ไม่เสื่อมนะนะไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปโดยที่ไม่เสื่อมเลยเรียกว่าเจริญอย่างเดียวไม่เสือเอ่อมพราอปิริหานี้จะทำแบบว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอีกเลยเห็นไหมมีแต่ถูกต้องอย่างเดียวไม่มีผิดอย่างนั้นะนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายและพิสูจน์ทั้งหลายลลา ย, ยังจะเจริญปีติสัมำพูชงอันอันนะตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ มันก็เจริญอะไรเจริญปีติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธา้อมไปเพื่อการสละหรือว่าปีติสัมโพชฌงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้ว น, นะที่บุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน